แนวอธิบายอริยศัสตร์โดยสังเขปอัรกถาที่เคยอ้างคือวิสุทธิมกักับสัมโมหวิโนทนีและสัทธธรรมปกาสินีได้เปรียบเทียบอริยศัสตร์สี่ไว้เป็นข้ออุปมาในยะต่างๆมีบางข้อน่าสนใจเช่นทุกเหมือนโรคสมุทยัยเหมือนสมุทฐานของโรค นิโรธเหมือนความหายโรคมักเหมือนยาบำบัดโรคทุกเหมือนทุกพิกภัยสมุทัยเหมือนฝนแลง้งนิโรธเหมือนภาวะอุดมสมบูรณ์มักเหมือนฝนดีทุกเหมือนภัยสมุทยัย เหมือนเหตุแห่งภัยนิโรธเหมือนความพ้นภัยมักเหมือนอุบายพ้นภัยทุกเหมือนของหนักสมุ ท, ทยัยเหมือนการแบกของหนักไว้นิโรธเหมือนการวางของหนักลงได้มักเหมือนอุบายวิธีที่จะเอาของหนักลงวาง อุปมาที่ยกมาให้ดูนี้เป็นคำอธิบายอริยสัจอย่างที่เข้าใจได้ง่ายมองเห็นชัดเจนทันทีอาจจะถือได้ว่าเพียงพอในตัวแล้วจะจบเท่านี้ก็คงได้แต่มีสาระบางอย่างซึ่งหากนำมาแสดงไว้อาจจะช่วยให้เจริญปัญญามากขึ้นจึงขออธิบายเพิ่มเติมอีกตามสมควรคำพีวิสุทธิมัคสมโมหวิโนทนี ลาสัตธรรมปกาสินีได้ชี้แจงเหตุผลไว้อย่างน่าฟังว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอริยสัจสี่ไว้โดยเรียงลำดับข้ออย่างที่เรียนรู้กันอยู่นี้ข้อความที่ท่านกล่าวไว้แม้จะสั้นแต่มีสาระหนักแน่นจึงขอนำมาเป็นข้อความสำหรับกล่าวถึงอริยสัจสี่โดยสังเขปต่อไปนี้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 และนาตกใจสำหรับคนจำนวนมากทั้งที่มีอาจหลีกเลี่ยงก็ไม่อยากได้ยินดังจะเห็นคนที่กาลังเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไม่ตรหนักรู้ว่าตนเองกาลังมีปัญหาและกำลังก่อปัญหาเมื่อมีผู้มาชี้ปัญหาให้ก็จะกระทบใจทำให้สะดุ้งสะเทือนและเกิดความไหว้วันสำหรับคนที่อยู่ในภาวะเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนปราวบเรื่องทุก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 เมื่อพูดกับใครก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคนนั้นเมื่อพูดเป็นกลางๆ ก, ก็เกี่ยวข้องกับทุกคนพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทุกข์มิใช่เพื่อให้เป็นทุกข์แต่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดับทุกขเพราะทรงรู้ว่าทุกขหรือปัญหานั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ดับได้มิใช่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนที่จะต้องคงอยู่ตลอดไป ชีวิตนี้ที่ยังคับข้องก็เพราะมีทุกข์มีปัญหาคอยรบกวนอยู่ถ้าดับทุกข์แก้ปัญหาแล้วหรือได้สร้างความสามารถในการดับทุกข์แก้ปัญหาไว้พร้อมแล้วชีวิตก็ปลอดโปร่งโล่งเบาพบสุขแท้จริงแต่การดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหานั้นมิใช่ทําได้ด้วยการหลบเลี่ยงปัญหาหรือปิดตาไม่มองทุกข์ตรงข้าม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 ได้แก่ทมปริญญาคือใช้ปัญญาดูทั่วรอบทำความเข้าใจสภาวะของทุก์หรือปัญหานั้นให้รู้ว่าทุก์หรือปัญหาของเรานั้นคืออะไรกันแน่อยู่ที่ไหนบางทีคนชอบหลบเลี่ยงทุกหนีปัญหาและทั้งที่รู้ว่ามีปัญหาแต่จะจับให้ชัดก็ไม่รู้ว่าปัญหาของตนนั้นคืออะไรได้แต่เห็นคลุมคลุเครือหรือพราสับสน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 ก็เหมือนรักษาโรคที่อาการเช่นให้ยาวระงับอาการไว้ก็ไม่ใช่แก้โรคได้จริงต้องค้นหาสาเหตุต่อไปแพทย์เรียนรู้โรคต้องเรียนรู้เรื่องร่างกายอันเป็นที่ตั้งของโรคด้วยฉันใดผู้จะดับทุก์เมื่อเรียนรู้ทุกก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตอันเป็นที่ตั้งของทุก